ก็ไม่ทำให้ชีวิตต่างไปเท่าไรแต่พ่อบ่อยจึงจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งเมื่อ น, นั้นก็มักจะสายสิแล้วที่จะแก้ไขฟื้นคืนให้กลับสู่สภาพเดิมความผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะกับกิจกรรมทางเพศแต่สะเทือนไปถึงรากฐานของสถาบันครอบครัวบ้านที่ไม่รู้จักรัก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 ตลอดจนเซเว่อเลเวทุกสาขาราคา140บาทครับบทความจากมิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่45เสียงอ่านโดยโจโช